ทีเกิดขึ้นเช่นกลอมร้อนน้ากายถูกแสงแดดเป็นอาการที่เกิดกลอมร้อนเป็นอาการไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์ตัางกายถูกกละอองขนคือมันหนาวคืออาการของกายไม่ใช่ออกมา itas, เป็นสุขเป็นทุกข์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 คอมพอใจก็ไม่พอใจเปรีาการของใจไม่ใช่ใจจิตใจไม่เป็นอะไรเมื่อมันมีอะไรสัมผัสก็ก่อเพื่อมเป็นธรรมดาเหมือนน้ำเวลาไม่มีอะไรสัมผัสก็นิ่งถ้าเที่งก้อนขวดก้อนดินลงไปก็กับเพิ่มเกนรเพื่มของน้ำ เปนอาการไม่ใช่น้ํามันคลื่นไม่ใช่น้ําน้ำไม่ใช่คลื่นความโกรธ<อ>ไม่ใช่ใจ อ, อย่าเอามันเป็นตัวเป็นตนที่วเห็นจิตสักว่าจิตจิตนัน ม, มีอาการต่างๆแน่นอนที่สุด<อ>แต่ก่อนเอาอาการของจิตมาเป็นตัวเป็นตน กูโกรธกูไม่กูละ ก, กูชังกูพอใจกูไม่พอใจแมบัญญัติเข้าไปมีสมมุติเข้าไปมีอุปทานเข้าไปในจิตที่มันเกิดขึ้นมันเกิดที่จิตเป็นภพเป็นชาติเป็นเปตเป็นสุรกายเป็นสัตว์โลกเป็นรสฉานได้ไม่ภพชาติของของิต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 ไปยืดไปไม่ได้เพียงเดียเรียกว่าปฏิบัติถ้าเรามาศึกษาเรื่องนี้ไปเขียนแั้นก็ใช่ได้มันได้ชีวิตเอากายเอาใจมาเป็นสิ่งสาต่อชีวิตก็ต่อโยอนี่ว่าลูกทำนามทมนี่มาต่อโยอดเอาประโยชน์จากมัน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 เจ็ดสากันเราก็เคยมีเคยเป็นมาแล้วเคยร้องไห้เคยเสียใจยเคยรักเคยเกลียดเคยชังเคยสุกเคยทุกข์มันจียงไหย ม, มันอยู่ที่ไหนสศกทุกข์มันอยู่ที่ไหนมันจะเป็นสมมติเหญนยอมันไม่มีจริงจรงมันมีจริงๆคือมันเหนือสุ ข, สขหนือทุกข์คือมันไม่เป็นอะไร นี่คือชีวิตนี่จะเห็นมัน เ, นเป็นเด็กการราันลาดประกาศควา ม, มเอกกันลาดของชีวิตในความหลงไม่ความไม่หลงไม่เป็นผู้หลงเป็นเด็กการราันลาดในความทุกเห็นมันทุกไม่มีผู้ทุก เป็นเด็กกัลลาชมันเป็นเด็กกัลลาชได้เพราะมันมีการไม่เป็นธรรมมีสิ่งเปรียบเทียบกองหลงกับคองไมยหลงเป็นสิ่งเปรียบเทียบเราเห็นแกล้งว่าหลงไปยังไงไม่หลงไปยังไงให้ส้มผัสเอาจะมาสร้างจะมาประกอบเรียกวิชากรรมฐาน มาประกอบมาสัมผัสไม่ต้องถามาใครเวลาเราประกอบล้วก็มีจริงมีรูปตั้งพบเห็นทั้งคิดเห็นเอื่อเราเอามือวางไว้บนเขาก็ก็รู้เห็นไม่ใช่คิดเห็นรู้เห็นตั้งพบเห็น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 หลงในความคิดหลงจนถึงน้ำตาหลาจนถึงโกรธถึงุนถึงรังกจนถึงถึงเกียดชังเป็นทุกข์ในความหลงเป็นสุขในความหลงเป็นความโกรธในความหลงเป็นความโลภในความห ล, ล, ลงไปไกลหลงมันไปกกย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 เป็นจริงตลอดเวลาจะเติมก็ไม่ได้จะตัดก็ไม่ได้ตัดไว้ดีจริงๆเพราะทำคำสอนเป็นสูตรตากายสวราคไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีใครแย่งได้เป็นวิทยาศาสตร์ที่สําเร็จกว่าวิทยาศาสตร์ใดๆในโลกนี้วิชาสต่างเดินต้องศึกษาต้องเรียนรู้เรื่อยๆไป แต่ศาส์แหงความเป็นพุทธะเน่ยไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเติมตัดไปสำเร็จเฉดชิ้นมาได้เลยอันชื่อว่าหลงชื่อว่าไม่หลงอันชื่อว่าทุกข์ชื่อว่าไม่ทุกข์ววากายสภาวไม่ใช่จัตตุบุคคลตัวตนเราเขา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 ไม่น่าจะโกรธโโกรธนิดนิดหน่อยหน่อยก็โกรธแค่นี้หรือแค่นี้หละเป็นเรื่องใหญ่ไม่ฉิดคาดเดียวไม่เมืองทั้งเมืองได้เขาความโกรธทำรอยตัวเองก็ได้ทำลายคนก็ได้ให้ความโกรธาแสดงออกรักใช้ความโกรธ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 ดังอัปพจิตตธทนโพอนดาก็ไปเห็นทนโพนั่นยังสละชีวิตจะอยู่ทท่นั้นจะไม่ลูกไปไหนถ้าไม่ลูกเรื่องนี้เข้าไปเมื่อใจมันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมันก็มีพลังอันนี้เราทำาะไรเหาะเหาะแยะแยะทำเล่นๆไปลองดูลองดูก่อนก็พอใจก็จะเอาไม่พอใจก็อยงนีไป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 มันอะไรน่ะมันดีกว่านี่นะจึงมามีสติเห็นมันไม่เห็นมันเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงมันจะผิดเลยเนี่ยถ้าไปเสียใจนี้ก็เท่ากับไปเสียตัวเองแล้วไปเสียตัวเองมีสติเห็นกา ย, ยเห็นใจเห็นธรรมเห็นความคิดเนามีเท่านี้มันจะหลงอยู่เป็นด่านเนี่ย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 กูชอบกูไม่ชอบพูพอใจก็ไม่พอใจมีใจก็ไม่มั่นใจตัวเองพึ่งใจก็มาได้บางทีเอาใจมาลงโทษตัวเองโดยชั่งไปในใจก็พึ่งใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่มั่นใจตัวเองแต่กูได้โกรธก็มเหมือนไม่เหมือนคนนี้แล้ว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 นะเดินตามไหลเขาลอบภูเขาโลกร้อนทำให้โลกเย็นให้มันตรงกันข้าวโลกมันร้อนให้โลกมันเนย็นก็มันโกรธให้คนหายโกรธคนมันทุกข์ให้คนไม่ทุกข์เตืนอนแปดสิบกมอรทุกปีเดินบนหลังเขาลุ่มน้าลำปางเทาทีนี้จะเดินอย่านอต้องสองอาทิตย์นะ แตม่สีหน่ายอเอวังก็มีด้วยประการช่นนี้ปะพร้อมกัน